10 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบ 80 5 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดไทองค์วรการ ช่วยมีชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันชนให้เข้มแข็งมีชีวิต ต่อไปนี้ขอ ทลายกำแพงใจให้ ดร. เจริญพลทรณินอาชีพครูเป็นผู้ให้ค่ะอย่าปิดกั้นโอกาสของศิษย์เพียง หมอกสลายที่ปลายฟ้าตอนที่ 3 ความเดิมตอนที่ พอทัญญะเข้ามาดูก็รู้ว่าเสียท่า ฝนตกปรอยๆจนอากาศค่อนข้าง เด็กนักเรียนก็ไม่แจ่มใสเท่า ในมือมันไม่มีอาวุธอะไรตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อยู่ในแล้วฮะฮะอ้าวเด็กผู้หญิงเหรอเนี่ยบอกให้ปล่อยสิบอกมาเดี๋ยวนี้ว่า จะให้ทําอะไรเด็กตัวเอ๊ะนั่น ป.9 ใช่มั้ยอ่ะอ้าวๆไปแล้วอ้าวๆอ้าว น่าเสียดายก่อนเนี้ยเคยเป็นเด็กไส้ๆที่เค้าอืมนั่นสิครับ บอกแม่ว่าเมื่อคืนเนี้ยบ้านทักครูใหญ่ถูกขโมยเข้า ลูกใหม่เค้าก็ไม่เห็นความสําคัญของแม่สัก ที่มีพวกลักเล็กขโมยน้อยอยู่ ดูร้ายผมมาตามคุณหมอไปที่อนามัยนะครับกับฉันเหรอคะหรือว่าใครเป็นอะไรผมมาตามฮะสวัสดีครับนักผู้ใหญ่มาตามหาเย ฉันก็คงต้องไปด้วย นั่นเป็นยังไงมหัศจิวัณถูกผมผืนใช่มั้ยแต่ ว่ายังไงคะคุณหมอใจเย็นๆเดี๋ยว จริงๆนะพี่จอนนี่เสียดายที่แห้งเม 2 เมตรเท่านั้น รู้แล้วจ้า เดี๋ยวฉันจะฟ้องเปียเมื่อไหร่เฮียจะเรียกชื่อจริงฉันซะทีกันกัลลสิกา งั้นก็ยอมให้เฮียกับพวกมันเรียกหรือว่ากิมจูต่อไปเถอะน่ะว่า อยู่ก็พากันวิ่งหนีไปก็นี่ต้องๆ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด มีเรื่องแล้วแม่จะตามไปสอบสวนตอนหลังไหร่แต่ต้องยอมให้ยายป่วนพาหลาน เอาไว้โอกาสหน้าค่อยใช้บริการนะคะไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ต้องเดินไปค่อยใช้บริการนะคะงั้นผมขับๆๆนะผู้ใหญ่เรา พี่หมอว่าไหมคะหมอว่ามั้ยคะอะไรจะๆๆอย่า ในยาบ้านนี่เลยนะพี่น้องไอ้ยาบ้านนี่กินแล้ว กึ๊ดจะมาทำเป็นสั่งสอนมากเดี๋ยวให้เอ็งออกจากโรงเรียนซะนี่ จ๋านี่น้ำจ๋าแค่นี้ก็ ซึมอย่างเงี้ยครูถามก็ตอบหน่อยสิจ๊ะหรือว่ายังตกใจ พวกหม้อที่อนามัยมากันแล้วจ้ะน้องมีงั้นครับเธอไปบอกให้เพื่อน เราต้องรู้คําตอบไปเธอเป็นอะไร ติดบ้างให้ๆจน ผมไม่ที่ฟังเข้าใจค่ะคนน่าด้านหรือว่าหน้าหนายน่ะก็ค่ะรอ พี่เธอเป็นครูฝึกสอนอยู่ มาเรียนจะรู้เรื่องหรอเชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับถึงลูกเลิก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 นามผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิภัตนะสินดาเกษรีเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีระ และเฉลิมพลศิริประเสริฐศักดิ์ชนทหารอาสาควบคุมเสียง